ปัญหาที่สาถามรองปัญญาพระเจ้าวิลินตรัดถามขึ้นอีกว่าข้าแต่พระนาคเษนบรรพชามีประโยชน์อย่างไรอะไรคือจุดบุ่งหมายสูงสุดในการบรรพชาของพระผู้เป็นเจ้าพระเทระตอบว่าบรรพชาของอัตมภาพนั้นเป็นประโยชน์เพื่อการดับทุกข์ให้สิ้นไป แล้วมิให้ทุกอื่นบังเกิดขึ้นได้อีกประการหนึ่งบรรพชาย่อมให้สำเร็จประโยชน์แก่เทพพยาดาและมนุษย์ทั้งหลายสนทนาอย่างบัณฑิตหรืออย่างโจรพระเจ้ากรุงสาคูนอครได้ทรงฟังพระนาค เ, เกษ็เฉลยปัญหาได้กระจ่างแจ้งก็ไม่ได้มีทางที่จะซักไซจึงหันเหถามปัญหาอื่นอีกว่า ข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าจะสนทนากับโยมต่อไปได้หรือไม่พระนาคเสนตอบว่าถ้ามหาพิฏจะสนทนาตามเยี่ยงอย่างบัณฑิตอตมาภาพก็จะสนทนากับมหาพิฏได้ถ้ามหาพิฏจะสนทนาตามเยี่ยงอย่างของพระราชาอัตมาก็จะสนทนาด้วยไม่ได้ บัณดิตทั้งหลายสนทนากันอย่างไรธรรมดาว่าบัณดิตที่สนทนากันย่อมเจรจาข่มขี่กันได้แก้ตัวได้รับได้ปฏิเสธได้ผูกได้แก้ได้บัณดิตทั้งหลายไม่โกรธบัณดิตทั้งหลายสนทนากันอย่างนี้แหละมหาบพิษข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระราชาทั้งหลายสนทนากันอย่างไร ขอถวายพระพรพระราชาทั้งหลายทรงรับสั่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแล้วผู้ใดไม่ทำตามก็ทรงรับสั่งให้ลงโทษผู้นั้นทันทีพระราชาทั้งหลายสนทนากันอย่างนี้แหละมหาบพิษข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมจะสนทนาตามเยี่ยงอย่างบัณฑิตจักไม่สนทนาตามเยี่ยงอย่างของพระราชา ขอพระผู้เป็นเจ้าจงเบาใจเถิดถ้าผู้เป็นเจ้าสนทนากับภิกษุณีหรือสามเณรอุบาสกคนรักษาอารามชั้นใดขอจงสนทนากับโยมชั้นนั้นอย่า ก, กลัวเลยดีแล้วมหาบพิตรพระเทระแสดงความยินดีอย่างนี้แล้วพระราชาจึงตัดต่อไปว่าข้าแต่พระนาเคเสน โยมจักถามพระผู้เป็นเจ้าเชิญถามเถิดมหาบพิตรโยมถามแล้วพระผู้เป็นเจ้าอัตมภาพแก้แล้วมหาบพิตรพระผู้เป็นเจ้าแก้ว่าอย่างไรก็มหาบพิตรตัดถามว่าอย่างไรวงเล็บเปิดพระเจ้ามิลินใตาถามปัญหาเช่นนี้หวังจะรองปัญญาพระนาคเษนว่า จะเขาหรือฉลาดยังยืนอยู่ไม่คั่นคามหรือประการใดเท่านั้นวงเล็บปิดในวันแรกนี้พระเจ้ามิรินได้ตัดถามปัญหาสามข้อคือถามชื่อหนึ่งถามพรรษาหนึ่งถามเพื่อท่านลองสติปัญญาของพระเถระหนึ่ง นิมนต์พระนาคเษนไปในวังลำดับนั้นพระเจ้ามิลินทรงดําริว่าพระภิกษุองค์นี้เป็นบัณฑิตสามารถสนทนากับเราได้สิ่งที่เราควรถามมีอยู่มากสิ่งที่เรายังไม่ได้ถามก็มีอยู่เป็นอันมากแต่เวลานี้ดวงสุริยะกำลังจะสิ้นแสงแล้วพรุ่งนี้เถิดเราจึงจะสนทนากันในวัง ขั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงตัดสั่งเทวมันติยะอมาตว่านี่แหละเทวมันติยะจงอาราธนาพระผู้เป็นเจ้าว่าพรุ่งนี้จะมีการสนทนากันในวังตัดสั่งดังนี้แล้วก็เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับขึ้นทรงมาพระที่นั่งแล้วทรงพึมพำไปว่านาคเสนนาคเสนดังนี้ ฝ่ายเทวมันติยะอมาดก็อารัธนาพระนาคเสนว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระราชาตัสั่งว่าพรุ่งนี้จะมีการสนทนากันในพระราชวังพระเทระก็แสดงความยินดีตอบว่าดีแล้วพอร่วงลาตีวันนั้นเนมิติยะอมาดอันตกายอมาดมังกระอมาดสภทินะอมบาด ก็พร้อมกันเข้าทูลถามพระเจ้ามิลินว่าข้าแต่มหาราชเจ้าจะโปรดให้พระนาคเซนเข้ามาได้หรือยังพระเจ้าค่าพระราชาตัดตอบว่าให้เข้ามาได้แล้วจะโปรดให้เข้ามากับพระภิกษุสักเท่าไหร่พระเจ้าค่าต้องการมากับภิกษุเท่าใดก็จงมากับภิกษุเท่านั้นสัพพทินนะอมมาต์ได้กลาวทูลขึ้นเป็นครั้งที่สองว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าจะโปรดให้พระนาคเสนมากับพระภิกษุสักสิบรูปจะได้หรือไม่พระองค์ตัดตอบว่าพระนาคเสนต้องการจะมากับพระภิกษุเท่าใดก็จงมากับพระภิกษุเท่านั้นเถิดจึงทูลถามขึ้นอีกเป็นครั้งที่สามว่าจะโปรดให้พระนาคเสนมากับพระภิกษุสักสิบรูปได้หรือไม่ พระเจ้าวิลินจึงตัดว่าเราพูดอย่างไม่ให้สงสัยแล้วว่าพระนาคเสนต้องการจะมากับพระภิกษุเท่าใดจงมากับพระภิกษุเท่านั้นเราได้สั่งเป็นคำขาดลงไปแล้วเราไม่มีอาหารพอจะถวายพระภิกษุทั้งหลายหรือเมื่อตัดอย่างนี้แล้วสัพพินะอมรต์ก็เก้อลำดับนั้นอมรต์ทั้งสี่จึงพากันออกไปหาพระนาคเสณ กลับเรียนให้ทราบว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้ามิรินตัดสั่งว่าพระผู้เป็นเจ้าต้องการจะเข้าไปในพระราชวังกับพระภิกษุเท่าใดก็ขอให้เข้าไปได้เท่านั้นไม่มีกำหนด